ไม่มาน่นี่รอแคทำธระเว่หมือนกเดีวถาเกใครกี่ยวแล้วกนนมาทำโรงทานงเตพมาจากไหนา่ตกม่านจัดะรววงวาเลยเหพักยา ไม่แก้ก็ปะยามทำไปมาก็สั่งได้บาทขาเลยไมตีพูดเจ้าได้แต่นี่จะใส่ะยา้จะดี๋ยะน้องะยังบอกขันพ่อไม่เอาบาทมาหน่ บาทเปนถ้าบาทของพวกขุนเจ้าทีมาใส่นามมุนเอาได้เอาเอาขันใช่ไเจ้า้าองนี้ว่าถ้าส่วนนี้อ๋อไ้ส่วนเปก็มาได้นถึงของพวุเจ้าเป็นบรรดานติที่มาหาใส่เก็บไปเอาไปเกันมา ไม่ต้องใส่ได้หรอกมันยุงนยนย่งนน่นพูจักไหมคนเราชอบยุง่งส ม, มาธิจังคงยุง่งชอบมาทำเปลี่ยนใหม่ทันสมัยหน่อยศนะักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พับมีสมาธิอ่ายุติใจเขาได้มาพันศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต้องเอาฝามาตรวจพียง นอก็ได้ได้ื้อมาชิ่นกระจนไ้าอย่นรนไปล้างใช่ป่ะใส่น้ำใช่ป่ะเอาด่าปมา่จเตรียมน่ะพอดีเห็นบอจเอาาน่ะพระไม่รู้พระมีปัญญาเขาทายังไงก็ทาไป ไมเอเ อ, อาเานป็นทั้งบ้านาาเขาลองเพงไมก็เพ่งม า, า เ, งเปิดดีน่นแ้วหลวงปู่ตายไปหนเป็เดียวเพ่งอย่างมาเปิดในบนุมันไม่สนุกขอว่าท่้นเดียพร ะ, ส ะ, ะจะมาชู เ, ย, เ ย, ยี่มเยียมได้ยังไงชิว่าแล้วยัง่อยู่ไดนหลวงปู่เที่ยวไปหาธาทีดิ่งพ่นสิบาดไปหาจินดวยที่จานจีนสางลูกขัวในวัดกนแล้ว ไ่ได้กินอาหารห้านใชว่าจะแบบนี้ต้มนั่นต้มนี่สั่งเขาไม่เอาแล้วคุณพระเขีนเขาทำพระฉันไม่ได้มันสัสิบอย่างเอามาแปะดูสิว่าสิบสิบมีอะไรบ้างเนื้อช้างเนื้อมาเนืหมาเนื้อหมาเนื้องูเนื้อหมือหมนือหาอาเนี้อหมาเ ว่าี่สิบคือเนื้อที่พระภิกษุสงฆ์เห็นเขาทำนะลูอยู่นั่นไ่ลูยังไงไม่เห็นต้อนหนาแท้ๆกับต่างลงควาไว้ความสุสร้างอยู้นเนพือจะก็ได้ทาอะไรได้เป็นที่พักด้วยลงควรด้วยเน้อลงควง่แล้วต้องก็งา่าจุ พก็ต้องตี่ทักก็ต้องอยูางนอกคบ้านโยมหนึงัอยากให้เรียกทอยู่นี่อก็ช่างเขาจะมาวันนี้ไม่ได้จะมาเมืนก่อนมาทีแล้วจมเออมาน้อไอพวกที่จะมาสร้างถัะหมาต้องาทาตาไอ้พนี่จะถามเขายังบรทันีไม่เล่าเขาเกลียงานอยู่รนี้ละเราเรืาบีปกอม่เยอะเท่าไม่่าเอาได้ด จะได้พระทพระที่ไมหัวใจดเดยพุทธไปผู้ลูกทําไมใจมีความรู้รู้จรรแจ้งโลกว่าโลกเปนวุ่นวายจะให้ลูกแก้งที่ควรจะว่าโลกวุ่นวายคนวุ่นวายจะได้เพียงมั่ห้องใสหัวอีกเือวันพระห้ามไปฟังฟังำบบลำทําระเดี๋ยวดีปดีเป่าห้ามมาให้ไปนั่งดู เลือกนั่งฟังเขาลองรำทำเพลงดี่เป่าก็ไปนั่งรบเสียงใด้เสียงบ่มีตดอกสีบาดสิบมาูางวนงุบาูางวันด้านู้ฮะี่เป็นคนตอเนว่ามานี่บ้านโอ้โหบ้านจวัวยมาดูแลยปัตตาลามให้หน่ะถ้าภาคที่เกียดก็มารดต้นไม้ให้หน่อย ถ้ามีปัญญาใท้กับหลวงไปยืนรถคนไหน่ก็ได้พระมีปัญญาถ้าพระไม่มีทิฏฐิมานะเพราฉันบวชแล้วฉันไม่ทำอะไรฉันจะเข้านิลอดจังเดียวเห็นองค์หนึ่งพระาลังมากมาบวชน้ำ ผมอยาก จ, ะจะหาวัดที่เข้านิโรธตลอดนะวันโอ้ยวัดไหนก็มีนิโรธแต่ว่าเรามีนิโรธหรือเปล่าคำว่าเข้านิโรธรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใจที้เกียหรือเข้านิโรธนิโรธที่เกียจไม่ใช่ว่าเขาจะ ไม่ใช่ว่าคนจะเข้าใจง่ายนะคำของพุทธเจ้าเพราะฉะน้นภาษาชาวบ้านอะไรไม่บวชหรอกวัดทำไม่จุดทำไม่หยุดทําไม่ยุดบา น, นั้ น, นไ่ไม่หยุดทำในคนไม่ตาย บางคนก็ปวดทับทไม่ตายวดทัาไมเลยตอมปวดที่เลออกจากใจไม่ใด่ปวดไปตอม